ใครที่ถามปัญหาไว้คท้าก่อนมาไม่ทราบบ้างนะ ส, สองเท้าเมื่อเดือนตุลาอเลยครับเมื่อเดินตุมามาไหมไม่มาจะ ไ, ได้มาถ้ามาก็ต้องต้องใช้หนี้นิดนึงเราถามถัวเรื่อ ง, งไไอะไร สมาธิอาสัมโมหะสมาธิเขาที่ได้ตอไปแล้วใครใครไม่ได้ฟังบ้างคำตอบเรื่องาอสัมโมหสมาธิรู้สึกมีมากกว่าคนที่ฟังงั้นงั้นพูดสนิทกันแล้วกันนะใครที่เคยฟังแล้วถือว่าทบทวนคือคราวก่อนนู้นนู้นเลยนะก่อ น, อ, อนน้ำท่วม ก <G un> าลครั้งหนึ่งก่อนน้ำท่วมมีโยมถามไว้ว่าอาสัมโมหะสมาธิคืออะไรอามาฟังแล้วงงจะลึงไปพักหนึ่งเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้ก็เลยขอขอติดเอาไว้ว่าขอไปคนหรือขอไปสอบถามครูบาอาจารย์ของไว่มันคืออะไรอามโมหะสมาธิเคยได้ยินแต่อาัมโมหะสัมปัชฌัญ คยไดยินไหมอสัมโมหะสมาธัญญาเคยไดยินไหมแล้วก็ไปดูกไ็ไม่ไม่มีถ้ามีแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นสั์บัญญัติภายหลังแต่ถ้าศั์มาตรฐานแล้วไม่ไม่ไม่เคยเห็นอสัมโมหสมาธิใครมาใหม่ต้องทนฟังคําศับหน่อยนะอสัมโมหะสมาชัญญาเนี่ยเป็นคําอธิบายอยู่ในในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรเนี่ย จะพูดถึงว่า ส, สติฐานสูเนี่ยพูดถึงเรื่องข้าค่าใหญ่ๆก็คือว่ามีสติปไปในกายเวทนาจิตธรรมแต่องค์ประกอบที่ว่าเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะสติเท่านั้นสติประฐานสีเนี่ยประกอบด้วยด้วย อ, อ, องคุณที่เป็นธรรมะเนี่ยหลายตัวมีความเพียรภาษาบาลีว่าอาตาปีอาตาปีสัมปชาโสัมปะชาโนคือ มีสัมพัชัญญาคือตัวนี้แล้วก็มีสติมาตัวสำคัญสงนั้ญคือมีอาตาปีสัมพัชฌาโมสติมาก็คือมีความเพียรเพียกเผาที่เล่สัมพชฌาโมคือมีสัมพชัญญาสติมาคือมีสติแต่ตัวเด่นคือสติจึงยกทำข้อนี้ว่าเป็นสยยติสัมพชัญญาแต่สติเนี่ยจะมาโดดๆไม่ได้ ต้องมีสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นตัวคับเรื่องว่าเราเหมาะที่จะเจริญสติในหัวข้อไหนสติจะอาศัยสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่เป็นตัวปัญญาจัดอยู่ในหมวดของปัญญาสัมปชัญญะนี่แบ่งออกมาเป็นอีกสี่อีสัพปาลีไม่ไหวแล้วบ่ารู้สึกสมองลาละเอาภาษาไทยดีกว่านะภาษาไทย ซบาลีบาลีก็ได้นะจะเอาก็ได้เอาภาษาไทยง่ายๆดีกว่านะคือสรุปแล้วเนี่ยสมัมมาจัญญาเป็นตัวที่จะทํำให้เรารู้ว่าเราจ ะ, จะเจริญสติหมวดไหนให้เหมาะกับจริต <c oughs> คือดูว่าหนึ่งอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราแล้วจเจริญสิ่งนั้น ไม่หลงคือไม่ลืมสี่อย่างเนี้ยเรียกว่าสัมมาัญญาเป็นกระบวนการนะเป็นเป็นเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสัมมาัญญาแล้วข้อสุดท้ายที่ว่ารู้ว่าอะไรมีสาระมีประโยชน์และเหมาะกับเราแล้วแล้วเจริญไม่ไม่ลืมหลงนี่ก็เรียกว่าสมโมหะสัมมาจัญญาข้อสุดท้ายเป็นเป็นข้อสุดท้ายของสัมมาัญญาเมื่อรู้แล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในพวก ปัญหาจริตมีสามิตะใครไม่เข้าใจมัปัญหาจริตปัญหาจริตเป็นจริตหนึ่งจเจริญตรงไหนดีคนที่เจริญสติกันที่จะเจริญสติเ น, จะจะ เ, สตเนี่ยต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในจริตแบบั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเจริญสติปัฏฐานเริ่มต้นทั้งสี่ข้อทำให้ได้ จึงจะสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ต้องคัดแยกตัวเองแบบว่าเราอยู่ในพวกไหนพเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานได้ได้เหมาะสมตรงกับจริงจะทําให้การปฏิบัตินั้นได้ผลเร็วเหมือนทำได้ตรงจริงทาได้ตรงบางขนัดจะทําให้ได้ผลเร็วเหมือนกับว่าท่านพระจุลบันสมเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเอง มีพื้นฐานในการดูอสุขภาพของก่อนดูความไม่สดไม่งาหรือความความความหมองของร่างกายในตวก่อนต่อย่อตรงนี้จะจะง่ายขึ้นเราเองก็ต้องดูจริตของเราว่าเรามีจริตแบบไหนจะปฏิบัติหรือเจริญสติแบบไหนจึงจะทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นท่านก็แบ่งจริตในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ออกมาเป็นสองแบบจริต สองแบบสำหรับการเจอสินประถามก็คือปัญหาจริตกับทิฏฐิจริตตัญหาจริตก็คือพวกที่มีริสัยรักสวยรักงามรักสวยรักงามถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งหน้าได้รันา้มองกระจกแล้วพอใจถ้าเป็นผู้ชายก็แต่งผูกชายเขแต่งอะไรกันบ้างบ้างไม่แต่งรบรรยายไม่ถูกจะบอกผู้ชายแต่งยังไง ก็คือพอใจ <c oughs> พอใจในความสวยความงามถ้าไปดูตามที่เขาโชว์ศิละปะก็จะดูศิละปะอันนั้นได้ น, นานๆไม่ไม่รู้สึกว่าเสียเวลาในการที่จะดูสิ่งสวยงามพวกนี้เลยว่าพวกตัณหาจิจมีความสุขในการดูไร่งานได้ น, นานๆอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ติดจริตที่ติดจริตนี่คือพวกที่ ช่างคิดคิดมากคิดมากทำงานไวทำงานเร็วสามารถทำงานหลายเร่างพร้อมกันได้ส่วนใหญ่คนเมืองเดี๋ยวนี้เป็ น, นันคิดมากคนที่มีตัณหาจริงเหมาะที่จะเจริญสติปัฏฐานสองหมวดแรกดูดูการกับดูเวทนาคนช่างคิดเหมาะที่จะดูจิตหรือดูธรรม ถ้าเป็นพวกช่างคิดแล้วจะมาดูกายมันยากไม่ตรงจริตไม่ตรงความถนัดถ้าเหมือนเป็นพวกถลัดคนะวรจะเรียนศินาาลปศาสตร์แต่กลับไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปไม่ไปไม่รอดคล้ายๆอนะันพวกที่ช่างคิดไปดูกายจะยากพวกที่ทําสมาธิได้พวกตัณหาจริต จิตใจไม่ไม่เปลี่ยนจะมาดูจิตไม่ค่อยประสบความสำเร็จไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูทําสมาธิได้แล้วจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์แต่อารมณ์ไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูเพราะจุดหมายในการเจริญสติกเนี่ยเพื่อให้ไปเข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์จุดมุ่งหมายคือให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะอนตาราไตรลักษณ์คืออะไรคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เวลาดูจิตคนช่างคิดเยนยะเดี๋ยวก็มีราคะพอมีสติรู้ราคาดับเห็นราคะเกิดราคาดับจากผู้ได้ผู้เห็นราคะเกิดราคาดับ ค, ค, ค, ค, คนที่กรธเห็นโทสะเกิดมีสติรู้โทสะดับต้องเห็นตอนดับด้วยนะไม่จะเห็นแค่ว่าตอ น, น, นเกิดเห็นโทสะเกิดเห็นโทสะดับจากผู้ได้ว่าโทสะก็ไม่เที่ยงดับไป มีสติรู้ขึ้นมา се? รู้ก็ไม่เที่ยงดับไปเิลอคิดอีกแล้วคิดไปแต่หด อ, อ, อีกแล้วพวกราคะก็แบบเดีกันราคะเดี๋ยวก็เกิดราคะเดี๋ยวก็ดับตอนดับนี่คือมีสติรู้ราคะก็ไม่เที่ยงสติที่รู้ก็ไม่เที่ยงเห็นกระดานนั้นเห็นความไม่เที่ยงจับคู่ให้ได้ไม่ใช่ไปจับคู่ราคะกับโทสะเห็นราคะที่มันเกิดกับราคะที่มนดับจับคู่เห็นราคะไม่เที่ยงแล้ว ตัวสติก็ไม่เที่ยงเห็นโทสะเกินโทสะก็ดับโทสะไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงโมหะคือความหลงหลงเกินพอมีสติรู้ตัวหลงก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเห็นทั้งถ้ามันคิดมากไม่ค่ไม่ค่อยมีตัวรู้เทาไห่มันฟุ้งซ่านรู้รวบไปเลยทีเดียวเมื่อกีภฟุ้งซ่ารภูมิซ่ารก็ไม่เที่ยงรู้มาแบบหนึ่งไอ้รู้นั้นก็ไม่เที่ยง หมดหูจากหมดหูใช่ไหมอ่อนเหวหมดเรี่ยหมดแรกกองกรอกอยู่งนาน้าหมดหูก็เป็นสภาวะหนึ่งที่สติเปีนรู้ครับมีสติรู้สภาวะแล้วตอนรู้สภาวะด้วยสติเนี่ยจะรู้แค่ว่ามีอะไรอยู่เจริญสติแรกแรกนั่นจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่มีราคาเกิดขึ้นมามีโทสะเกิดขึ้นมาเมื่อกี้หลงไปเมื่อกี้ฟุ้งร่าน เมื่อกี้โหนกจะยังจับคู่ไม่ได้แต่พอสติบ่อยเข้าบ่อยเข้ามีสติบ่อยเข้าบ่อยเข้าจับคู่ได้คราว น, นี้จะเห็นสภาวะด้วยเห็นลักษณะมาด้วยคือสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงดับไปแม้แต่ตัวรู้ก็ไม่เที่ยงดับไปอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาจะมีรู้ด้วยสติและรู้ด้วยปัญญาจะเห็นได้ จะเห็นสภาวะได้บ่อยๆต่อเมื่อเราจเจริญสติถูกกับจริตสติจะถูกกับจริตเมื่อเรามีสัมพันธัญญาคือแบ่งแยกตัวเองของว่าเราอยู่ในจริตไหนตัวสัมพชัญญาจึงจะมีมีความเกื้องูล่มต่อการจเจริสญสติด้วยประการฉนี้พ <c oughs> อได้ไหมนี่คือ อธิบายสองครั้งก็ไม่เหมือนกันนะอาจทเร้อธิบายอีกแบบ่งนะเขาเล่าอธิบายอีกแบบใครมีคำถามอะไรอย่างี้ยสงไปตนี้เานทาก็เหมือนกันนะบ้าว่าในเล่านีถามถานะเรื่องเลนนะก็เล่าอีกแบบน่งนะ มันเพลีย่ะ้เพลีมันก็ยังไม่ชอบมันก็ซ้ อ, อ น, นไปมันยังรู้แล้วไม่เป็นกลางใช่ใค่ะให้รู้ทันความไม่เป็นกลางมันดูหลายทีแล้วมันก็ยังไม่ยอ้ไไม่เป็นกลางมันก็ที่ไม่ชอบแต่แ้มก็ไม่ต้องสร้างความเป็นกลางให้รู้ทันความไม่เป็นกลางเพราะสภาวะความเป็นกลางเรายังไม่เคยมีไม่เคยเห็นไปสร้างเท่าไหร่ก็เป็นของปลอม ให้รู้ทันความไม่เป็นกลาให้รู้ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นมีความเขาเรียกว่าโทษตัวเองหมุดหีดขึ้นมาโทษโทษตัวเองว่าทําไมฉันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมจึงไม่ได้สันติให้ดูความหนุดหีดที่เกิดขึ้น ไม่ได้เอาให้เห็นไม่ได้เอาให้ดีเอาให้เห็นจิตเราไม่ต้องการให้จิตนี้มันดีตลอดให้เห็นว่ามันดีบ้างไม่ดีบ้างไม่งั้นแล้วมันไม่เห็นไครคถ้าจิตนี้ดีตลอดเนี่ยเราก็เริญแล้วเราก็จะรู้สึกว่าันเทีียงจิตนี้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดี เป้าหมายในการเป้างหมายในการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ต้องการให้มันให้มันดีแต่ต้องการให้เห็นไตรลักษณ์เข้าใจไหมไตรลักษณ์คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้นตาแต่กิเลส ม, มีหน้าที่จะหลอกล่อเราให้มนไม่อมองในแง่มนีกิเลสทุกตัวทำหน้าที่เดียวกันแต่มันแยก แยกกันทำงาแยกกันทำงาเหมือนเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าไอ้พวกนี้ไปไปอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้ไปอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้แหกปากร้อไอ้พวกนี้ปากฉันไม่รู้เรื่องผมไม่รู้พอไอ้พวกนี้เงียไอ้พวกนี้วดงแบบเดียวกันกิเลสในใจเหมือนกันกิเลสในใจก็คือทอําอย่างไรจะให้เราลืมมองโลกแบบนี้หนึ่งคือลืมมองสภาวะ เห็นสภาว่าแล้วทํายังไงที่จะลืมมองในแง่เน้าที่ของกิเลสนะหลอกล่ อ, อเราทุวิธีทาง <c oughs> นี่พูดเปเรียบเทียบเหมือนกับว่ากิเลสมัมีตัวตนแต่จริงมันคือเราไม่คุ้นชินที่จะมองในแง่เบื้องแรกเบื้องแรกเราอาจจะต้องสอนตัวเองนําร่องให้จิตนําร่องให้จิตว่านี่ไงเห็นไหมบังคับไม่ได้ว่านี่ไงเห็นไหม มันไม่เที่ยนนะนี่ไงเห็นไหมว่ามันไม่เป็นกลางนะนี่งเห็นไหมว่าเกิดสภาวะแม้แต่แมีสติรู้แล้วมันก็มีสภาวะใหม่เกิดขึ้นทันทีจิตที่รู้เมื่อกี้ดับไปไห <c oughs> กลายเป็นจิตที่มีโทสะขึ้นมาทันทีรู้ขึ้นมาครั้เดียวสติจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับ เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยสติก็เกิดพอร้อมกับจิตและดับพร้อมกับจิตเหมือนกันจิตที่มีสตินั้นดับไปสติก็ดับไปด้วยพร้อมกับจิตจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาหลงไปกับเรื่องอื่นก็เป็นจิตที่หลงต่อหลงไปพร้อมกับมีโทสศัทบ้างหลงไปพร้อมกับมีราคาบ้าง <c oughs> ย้อนมาดูตอนที่มีโทสศัเนี่ยมันส่งออกไปดู รู้สึก ไ, ม, ไม่ไหวแม้แต่จะดูจิตมันยังรู้สึกว่ามันสมออกไปดูมันไปควานหามันไปพยายามพยายามสร้างพยายามสร้างจิตที่มันไม่เคยมีมันเลยสร้างไม่ได้แล้วก็หนูคิดว่าทําไมมันสร้างไม่ได้หลักก็คือย้อนย้อนมาดูอาการย้อนมาดูอาการทางจิตไม่ใช่ไปหลงดู เรื่องราวที่จิตสร้างขึ้นเรื่องราวที่จิตสร้างขึ้นคืออยากจะสร้างสภาวะที่สุดอยากจะสร้างสภาวะที่ดีต้องดีขึ้นเรื่อยๆใจอยากที่จะดีมีตัวอย่างให้ดูทันตัวอย่างที่ดีวอยากนี่ก็เป็นภาษาไทยที่แปลเป็นบาลีได้อีกแลายครับอยากที่เป็นตันขากับอยากที่เป็นฉันทัก 有点不一样， okay, <laughs> <laughs> 你们可以想想。 ถ้านในแง่ของผู้ที่จะครองเรือนอยู่ต่อไป <c oughs> ท่านก็ให้หลักไว้ในิี่6 <c oughs> คือให้ดำรงวงตระกูลให้ท่านเลี้ยงดูเรามาให้เลี้ยงดูท่านต่อทำกิจการงานแทนท่านหรือเมื่อท่านมีอายุมากแล้วท่านทำไม่ไปได้แล้วเรองทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูล ดำรงองตะโกนนี่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้แบบ ว, ว่าไปปั๊มลูกดำรงองตะโกูนหมายถึงว่าตระโกลเนี่ยจะมีชื่อเสียงต่อไปควรเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีดำรงรักษาชื่อเสียงขององตะโกนบางทีพระท่านเรียนรักธรตรีนะพอถึงดำรงองตะโกนทํำยังไงเราจะต้องสึกออกไปดำรงองตะโกนไม่ใช่อย่างนั้น ดํารงมงตะกูลคือตะระกูลนี้มีชื่อเสียงมาอย่างนี้ไม่ให้ตกต่ำแบบนี้จะต้องดีขึ้นชื่อเสียงของมองตะระกูลนี้เมื่อตกมาถึงรุ่นเราจะต้องไม่ต่ำวบบนี้ต้องดีขึ้นเมื่อท่านตายไปแล้วให้ ท, ทําบุญทิชชู่มงตะกูลในสมัยก่อนนะมีการงาน ลูกหลานเวลาจะระงมองตะระกูลเนี่ยจะสื่อตอเไื่องการงาน แ, แต่ต น, นี้เรามีการงานอย่างนึงสมลูกไปเรียนแล้วลูกก็ทำงานอีกอย่างนึงกิจการงานของตะระกูลนไม่มีใครสื่ตอตอเป็นเรื่องของของเราปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้แต่ในอินเดีย น, นะตะระกูลช่างทองก็ยังเป็นช่งนางทองอัตมาไปไปสังเวยชนิดสถ า, านไปถึงบ้านนายจุนทะ บ้านนายจุนท่ารู้จักนายจุนท่าไหจุนทากำมาราพุทผู้ที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเจ้าจุนทากรมาราทเนี่ยกรมาราทหมายถึงว่าปวดนายช่างทอดนายช่างทอพระท่านก็พระที่เป็นไกด์เนีนะนก็พาไปเที่ยวดูสถานที่บ้านนายจุนทาบ้านนายจุนทาเนี่ยปัจจุบันก็เป็นกระอองดินเหมือนเป็นสถูปกลาเป็นเจดีย์กลาแต่หมู่บ้านเขก็ เป็นหมู่บ้านช่างทองยังเป็นช่าตทองกันอยู่ดำรงอยู่กี่พันปีเลเป็นสองพันปีนี่คืออินเดียอยู่แ ล, ล้ดำรงวงศ์ตระกูลดำรงในการงานอาชีพของตระกูลเราศึกษาการงานแต่นี้ของเราเนี่ยเป็นแง่หนึ่งดำรงวงศ์ตระกูลของเราก็อย่าง น, น้อยก็ควรจะดำรงในแง่ของชื่อเสียงของตระกูลไม่ให้ตกต่ำ ได้ไปสร้างชื่อเสียงเสียหาย <c oughs> และอีกแง่หนึง่งนี่พูดถึงเรื่องของผู้ที่จะอยู่กับโลกในแง่ทั่วไปจะเป็นพาะก็ได้จะเป็นโยมก็ได้ก็คือว่าเมื่อพ่อแม่ไม่มีสัททานในพุทธศาสนาสัทานสัทาในพุทธศาสนาถ้าลูก จะตอบแทนพ่อแม่ก็คือทําให้พ่อแม่เนี่ยศรัทธาในพุทธศาสนาพ่อแม่ไม่มีสีลูกจะตอบแทนพ่อแม่ก็คือจะทํำในไรให้พ่อแม่เนี่ยรักษาสีพ่อแม่ไม่เคยภาวนาทำานไรให้พ่อแม่เนี่ยเจริญภาวนาพ่อแม่ไม่มีมรรคผลพวกจักรยาก็นะทำยังไงให้พ่อแม่มีมรรคผลเป็นลําดับต้นถามไปก็คือ ทำในอะไรทพ่อแม่จะเรเดินขึ้นในธรรมเจรเดินขึ้นในธรรมที่เราจะดูได้ง่ายๆก็คือท่านมีศรัทธาหไหมตอนนี้ท่านมีศีลไหมท่านภาวนาหไหมท่านภาวนาแล้วจระเดินสมาธิแล้วิปัสสนาแล้วท่านได้มบักผลด้ว อ, อยังบาง <c oughs> ทีบักผลเนี่ยเราเองยังไม่่มมผ่านใช่ไหมก็ด <c oughs> ู <c oughs> ในขั้น แ, แ, แรกแรกก็คือศรัทธาสีจารคจารคัจาคั ก, ก็คือท่านยังขี้เหนียวไหมท่านรู้จักสลับอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าสลับได้ท่านก็ทำลายกิเลสตัวหนึ่งคือเรียกว่ามักชริยามักชริยนี่เป็นตัวขวางตัวเป็นกิเลสตัวนึง เ, เ, เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งยิ่งยหญ่พูดไปยิ่งใหา่คือ เอาไว้ข่าวหน้าดีไนหะมมีการอะไรมีการรวมหมวเอาไว้ข่าวหน้าใครต้องการรู้เรื่องนี้มามาฟังข่าวหน้าดีนะโปดติดตามตอน ต, อนตอน่อไปข่าวหน้าพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ดีไหมเรื่องคุณสมบัติของพระโสดาบันดีไหมเรื่องนี้น่าสนใจนะใครอยากฟังมาข่าวหน้า <laughs> มันยาวมันยาว ผู้ตอนนี้ไม่หมดหรอกเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเที่ยง